จนอนอนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 0เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจ ของท่านให้มีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาทางร่างกายทางทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเป็นการพัฒนาชั่วกล่าว ว่ร่างกายเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายตายไปสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างกันขึ้นมาได้พัฒนากันขึ้นมาก็ต้องหมดไปเราเวลาตายไปของทุกอย่างที่เราหามาได้เราก็ต้องสูญเสียไปหมด เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแต่การพัฒนาทางจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ถาวรเพราะจิตใจเป็นของยั่งยืนเป็นของถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้พวกเรามาพัฒนาของแท้ของจริงกันดีกว่ามาพัฒนาสิ่งที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้คือพัฒนาความสุขความเจริญทางจิตใจก็เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรายัางเอา สิ่งที่เราพัฒนาทางจิตใจติดตัวไปกับเราได้การพัฒนาจิตใจนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพัฒนากันได้ตอนนี้จิตใจของเราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นกว่าเป็นมนุษย์ได้ก็คือพัฒนาให้เป็นเทพชั้นต่ตาง เป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็ไปเป็นพรหมชั้นต่างๆแล้วก็ไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆนี่คือสิ่งที่จิตใจของเราจะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปให้สูงขึ้นไปให้มีความสุขมากไปมากขึ้นไปได้ตามลาดับ ถ้าเรารู้จักวิธีพัฒนาจิตใจถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้วิธีพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าเราจะรู้แต่วิธีพัฒนาลาบยศสรรเสริญพัฒนาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง พัฒนาตำแหน่งต่างๆให้สูงขึ้นไปอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราจะไปทำงานก็เพื่อหาเงินหาทองให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ซื้อข้าวซื้อของซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรต่างๆให้มากขึ้น <c oughs> ทำงานก็ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเราก็จะเอาจิตใจที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ไปถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็จะไปเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าเราไปทำบา ในเวลาที่เราไปพัฒนาลาภยศสารเสริญพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกลินกายแล้วเราไปทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปดื่มสุรายาเมาเข้าแทนที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราเรากลับดึงจิตใจให้ตกต่ำลง เพราะการกระทาบาปนี้เป็นการดึงจิตใจให้เสื่อมลงให้ต่ำลงจากฐานะของมนุษย์ก็จะกลายเป็นเดนรัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นอสุรกายกลายเป็นสัตว์นรกไปตามลำดับถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะไม่รู้ ผลของการกระทมบาปของเราก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ไปรับผลบาปเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนที่มองไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีคือจิตใจของพวกเราพวกเราถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมพวกเราก็อาจจะคิดว่า จิตใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปกับร่างกายเมื่อตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปที่ได้กระทำไว้ใครจะไปเป็นเดรัจฉานใครจะไปเป็นเปรใครจะเป็นอสูรกายใครจะไปตกนรกแล้วก็เลยไม่เชื่อเรื่อง บาปเรื่องผลของการกระทาบาปเราก็จะทำบาป ก, กันอย่างไม่มีความสะทกสถทานเพราะเราคิดว่าบาปไม่มีผลของการทำบาปไม่มีนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาวัดจะคิดกันแบบนี้เขาถึงกล้าทำบาป ก, กัน กล้าชอก้าที่จะชอบโกงกล้าที่จะรักทรัพย์กล้าที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกล้าที่จะโกหกหลอกลวงกล้าที่จะประพฤติผิดตัวเอนี่เพราะเขาไม่เชื่อว่าตายไปแล้วเขาจะไปรับผลของการกระทําบาปต่อไปเพราะเขาคิดว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ตัวเขาก็ตายไปด้วยแต่ความจริงแล้วถ้าเราได้มาศึกษามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังว่าตัวเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายตัวเรานี้เป็นจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ เช่นวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาวัดมาทาบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมกันผู้ที่สั่งนี้คือเราคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งของใจอีกทีหนึ่งเมืม่อสั่งแล้วร่างกายก็มาที่วัดมาทาตามที่เราสัง่งผู้ที่สั่งนี้แล้ะ ไม่ได้เป็นร่างกายและไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่สามนี้เป็นผู้กระทาทำทั้งบุญทำทั้งบาปและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าทำบุญอย่างที่ญาติโยมมาทำกันวันนี้และไม่ทำบาปใจก็จะพัฒนาขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดา ทำน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำทำ ม, มากก็จะเป็นเทวดาชั้นสูง mm hmm. เทวดานี่ก็มีหลา ย, ลายชั้นเหมือนโรงแรมที่มีหลายหลายดาวโร mm hmm. งแรมหนึ่งดาวก็มีสองดาวก็มีสามดาวสี่ดาวห้าดาวก็มี mm hmm. ผู้ที่จะไปใช้บริการโรงแรมก็ต้องใช้เงินต่างกัน โรงแรมดาวหนึ่งก็ไม่แพงเหมือนกับโรงแรมสองดาวโรงแรมสองดาวก็ไม่แพงเหมือนกับสามดาวสี่ดาวหรือห้าดาวแต่การบริการความสุขที่ได้รับจากโรงแรมต่างๆก็มีความแตกต่างกันยิ่งดาวมากก็ยิ่งมีความสุขมากถ้าดาวน้อยก็มีความสุขน้อย a ันใดเทวดาก็เป็นเหมือนโรงแรงชั้นต่างๆมีระดับดาวต่างกันถ้าเราทำบุญน้อยเราก็ไปสู่ชั้นต่าเป็นเทพชั้นต่ำถ้าเราทำบุญมากเราก็จะไปสู่เทพชั้นสูงถ้าเป็นเทพชั้นสูงก็จะมีความสุขมากกว่าเทพชั้นต่ำนี่คือการพัฒนาจิตใจ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุวทรงค้นพบว่าเป็นการพัฒนาที่แท้จริงที่ถาวร <Yeah. S 1> เพราะเมื่อเราตายไปแล้วเรายังไปรับผลที่เราพัฒนาจิตใจของเราต่อไปได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆทำบุญหมื่นหนึ่งก็อยู่ชั้นต่ง ทำบุญแสนหนึ่งก็สูงขึ้นไปทำบุญล้านก็ยิ่งสูงขึ้นไปตามลำดับเ น, ะน้นถ้าอยากจะได้เป็นเทวดาชั้นสูงอยู่เหมือนกับอยากจะไปพักโรงแรมห้าดาวก็ต้องทำบุญให้มากๆอยากเสียดายเงินทองก็าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะเอาไปใช้เอาไปเล่นเอาไปกินเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็วุ่นวาย เพราะว่ามันความอยากมันไม่หมดสู้เอามาทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะทำให้ไม่มีความอยากใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจทำให้เราเป็นคนน่ารักเป็นคนที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ เราก็จะมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเราด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษต่างๆเพราะเราไม่ได้ไปท่างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใครเรามีแต่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือจิตใจของเทวดา จะเป็นอย่างนี้มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาถนาที่จะเบียดเบียนผู้ไม่ชอบเบียดเบียนผู้ชอบช่วยเหลือผู้ชอบให้ความสุขแก่ผู้จึงทําให้ตนเองจิตใจกายจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่าระดับเทวดา เราก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งนอกจากรักษาศีลแล้วทาบุญแล้วเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันเช่นในวันพระวันหยุดทำงานมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันพอใจสงบใจก็จะกลายเป็นพรหมขึ้นมาพรหมนี่สูงกว่าเทพ มีความสุขมากกว่าเทพถ้าเทพเป็นโรงแรมห้าดาวพรหมนี่คือเป็นโรงแรมสิบดาวยีสบดาวมีความสุขที่วเิเศษกว่าถ้านั่งเครื่องบินก็เหมือนกับนั่งเครื่องบินส่วนตัวไม่ต้องนั่งเครื่องบินถึงแม้ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งแต่ก็ยังเป็นเครื่องบินพาณิชย์ต้องไปนั่งกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นพรหมนี่เหมือนกับนั่งเครื่องบินส่วนตัวพรหมนี่จะได้ความสุข มากกว่าเทพทั้งหลาย mm. แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่าพงศ์อยากจะมีความสุขระดับพงศ์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่ง mm. ก็คือการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญา mm. เราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อไอ้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราซักวันหนึ่งจะต้องจากกันเวลาจากกันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้ลาบมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียลาบไปได้ยศมาเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียยศไปได้สรรเสริญมาเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียสรรเสริญไปได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปเพราะของทุกอย่างที่เราได้มามันไม่เที่ยงนั่นเอง มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ได้แฟนมาวันนี้<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะคนอื่นมาขอไปก็ได้คนอื่นอาจจะมาแย่งไปก็ได้<ม>เวลาได้แฟนมาก็ดีใจมีความสุขพอเวลาแฟนจากไปแฟนไปมีแฟนใหม่ก็เศร้าโศกเสียใจ นี่คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เมื่อเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การที่เรากลับมาเกิดกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยาก ยังอยากได้ลาบยศเสนเสริญยังอยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอร่างกายตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอย า, อยากอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็เลยดินใจให้กลับมามีร่างกายอันใ ห, หม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพรากจากกันใหม่มาเล่นนอนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันใหม่ถ้าไม่อยากาจะกลับมามก็ต้องหมัน่นเจริญปัญญาพิจารณาเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราได้มาก็สุขแต่เวลาเสียไปก็จะทุกข์ถ้ารู้ว่าจะต้องทุกข์ก็จะไม่อยากได้ เมื่อไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่นี่คือการพัฒนาจิตใจที่พวกเราสามารถที่จะพัฒนากันได้และสิ่งที่เราพัฒนา ก็จะเป็นของเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรามาพัฒนาลาบยศสนเสริญมาพัฒนาครอบครัวมามีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาเดี๋ยวเวลาที่เราตายไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพัฒนาไว้หมดเอาติดตัวไปกับเราไปไม่ได้ เอาไปได้แต่บุญแต่บาปที่เราทาไว้ถ้าเราไม่สนใจกับการพัฒนาจิตใจเราก็จะไม่ค่อยได้ทำบุญกันเราถ้าเรามัวแต่ไปพัฒนาทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกเลืนกายเราก็มักจะต้องไปทาบาปกันเพราะว่าถ้าเราไม่ทาบาปมันจะได้ยากได้ช้าได้น้อยนั่นเอง ถ้าเราอยากได้มากอยากได้ง่ายอยากได้เร็วเราก็มักจะไปทำบาป ก, กันแต่สิ่งที่เราได้มาเราก็ได้เก็บไว้เป็นสมบัติเพียงชั่วคราวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เลยเอาแต่บาปไปเอาจิตใจที่จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปเป็นสั์นรกไปแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า ล้วเรามาทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทําบุญมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปถ้าเรามีการบาเพ็ญ ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นไปตามลําดับจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยะเจ้าตามลาดับเมื่อไปถึงขั้นพระอริยะเจ้าขั้นพระอารหัน์เราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป เราก็จะเป็นพระอาหารหันต์ไปตลอดอยู่กับความสุขที่สูงสุดอยู่กับความสุขระดับพันดาวต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคือมัลลงมาสุขที่เป็นความสุขของพระนิพพานจะเป็นของเราถ้าเราเชื่อฟังคาสอนของพระพทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจึงขอ ให้ท่านจงมีความศรัทธาความเชื่อมีความภาคเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนเพื่อที่จะได้พัฒนาชีวิตจิตใจของท่านให้เจริญเก้อรุ่งเรืองก้าวหน้าไปโดยไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันถดถอยไปให้ถึงจุดสูงสุดไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย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 อย่างถาวรที่จะตามมาต่อไปโดยทั่วหน้ากันเธอ